ถ้าพูดถึงว่าอนนีจะหนุปัสสนานี้พูดเป็นเพียงตัวอย่างนะถ้าใครบอกว่าเขาเจริญทุกขานุปัสสนานนะแต่ทุกแห่งหน้าเที่ยวหมดเลยเนี่ยนะพูดถูกไห ม, ม น, นะก็ไม่ถูกเลถ้าเจริญทุกขานุปัสสนาหมดนะก็ทุกแห่งหน้าเที่ยวหมดเลยก็แสดงว่าพูดผิดแล้วเนี่ยนะถ้าใครเจริญอ น, อนัตตานุปัสสนามากมากอะนะบอกรู้ทุกอย่างนะเราควบคุมได้หมดเลย ท่านเนี่ยเป็นผู้เมียมนอดแต่บอกว่าจะเรียนรู้จากอนัตตาเยอะเนี่ยนะเจ่งไหมนะเจ่งนะนะเขาบอกเออขออย่าแก่นะไอ้ที่แก่แล้วก็อย่าเพิ่งป่วยไอ้ที่ป่วยแล้วก็อย่าเพิ่งตายเนี่ยนะถ้าขอได้อย่างนั้นนะไม่ต้องตั้งโรงพยาบาลแล้วไม่ต้องผลิตยาแล้วขอเอาอย่างเดียวแต่ไม่มีใครขอสําเร็จเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการขอแต่เป็นไปตามปัจจัยอย่างโรคจะหายหรือโรคไม่หายมันอยู่ที่ ปัจจัยใช่ไหมเพราะโรคบางอย่างมีอะไรเป็นสมุทฐา น, านโรคเกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานทุกโรคไหมไม่ทุกโรค น, นถ้าโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสมุทฐา น, น, นให้ยาแล้วหายโรคที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานรักษาจิตแล้วก็หายโรคที่เกิดจากอุดการอิริยาบถเนี่ยนะไม่สม่ำเสมอก็การใช้อิริยาบทที่เป็นก็หายเป็นต้นเนี่นะงั้นถ้า ใครที่รู้กฎเกณฑ์ความเป็นไปของสังขารทั้งหลายถ้ารู้เหตุรู้ปัจจัยก็พอจะแก้ไขได้ในบางส่วนแต่ว่าไม่มีอำนาจอย่างอย่างแท้จริงตัวปัจจัยนะเป็นตัวไปไปทําให้มีผลอย่างอากาศเย็นตอนนี้เนี่ยนะอย่างอากาศในห้องนี้มันเย็นอะ่ะถามว่าข้างนอกมันเย็นด้วยไหมทำไมข้างในกับข้างนอกมันจึงไม่เย็นเหมือนกันเพราะมาจากปัจจัยที่ต่างกันเนี่ยนะ ข้างในห้องที่เย็นก็เพราะปัจจัยคือแอบข้างนอกปัจจัยที่มันร้อนคือดวงอาทิตย์เพราะถ้าใครบังดวงอาทิตย์ได้นะบังได้มากเท่าไหร่ก็อาจจะเย็นเท่าข้างห้องก็ได้นะแล้วก็บังถ้าไปไปได้นะไปผลักลมเหนือให้มาทางนี้นะพัดแปลว่ า, วาไปผลักพัดให้ลมจากประเทศจีนเนี่ยนะจากเขามีหิมะเนี่ยพัดมาทางนี้เนี่ยเย็นได้แล้วก็บังดวงอาทิตย์ไว้หน่อยอนะแต่ถ้าทําอย่างนั้นไม่ได้ ก็แก้ไม่ได้เธอปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะแม้แต่ปัจจัยก็มาจากปัจจัยนะนะสิ่งหนึ่งเป็นผลของอีก ส, สิ่งหนึ่งจริงหรือรเหตุเดียวผลเดียวยไหมอา้าวทำไมว่าสิ่งหนึ่งเกิดจากสิ่งหนึ่งอันนี้เรียกว่ารู้กันนะนะก็คือเอาไปแต่พอแต่หัวข้อหัวข้อก็ออพอนะไม่สามารถพูดละเอียดได้ในทีเดียวอย่างนั้น ก่อนั้นก็รกว่าภูเลยพูดเป็นเหตุเดียวผลเดียวพอเป็นตัวอย่างแต่จริงๆในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวและผลเดียวเหตุเดียวก็ไม่ได้ทําให้ผลเดียวเกิดหลายเหตุก็ไม่ได้ทําให้ผลเดียวเกิดหลายเหตุก็ไม่ได้ทําให้เกิดหลายเอผลเดียวก็ไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวแล้วก็ผลหลายอย่างก็ไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวแต่ที่เราพูดเหตุเดียวผลเดียวก็เพราะมันชัดในเรื่องนั้นๆ นี่ทบทวนนะว่าผู้ที่เจริญอนิจจานุปัสสนามากจะละนิจจสัญญาได้ใครที่เจริญทุกขานุปัสสนามากละสุขะสัญญาได้ใครที่เจริญอนัตานุปัสสนามากละอัตานุปัสสนาได้ถ้าใครพูดตรงกันข้ามกับอย่างนี้ ก, ก็แสดงว่ายุติไม่ได้ไม่สมควรนะนะยุติปแปล ว, ว่าสมควรแปล ว, ว่าพูดไม่สมควรแนละ้ว หรือใครบอกว่าเขานิ่มอยู่ด้วยนิพพานุปัสสนานะแต่ว่าเขาเขามีตันหาเป็นปกติเนี่ยนะร้องเพลงเป็นอัธยาศัยเลยแต่เขาเบื่อหน่ายมากเพราะงั้นอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่กันนะยุติไม่ได้แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเจริญวิราคาอะไรอะไ ร, ะไรเขาก็ไม่เอาแล้วนะแต่มีโครงการจะหาขันให้อีกตั้งหลายขันอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาต้องการจะดับทุกข์มากแล้วนะแต่ขออีกหลายชาติ วันนี้ก็มันก็ฟังแล้วมันขัดขัดกันเองอยู่นะพันเรียกว่าไม่สมควรนั่นก็มาดูนะการศึกษายุติหาระเป็นหาข้อที่หาข้อยุติหาความสมควรหรือไม่ไม่สมควรเป็นเครื่องวัดนะเป็นเครื่องตัดสินอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรถูกอะไรผิดถ้าใครที่ศรัทธานในยุติหาระเนะี่ยขอมาเชื่อว่าคนนั้นเจริญแน่ทาไมจึงบอกว่าเจริญเพราะเขาเป็นมีเครื่องตรวจสอบมาก เขามีเครื่องตรวจสอบมากเขาจะไม่หลงทางง่ายๆเนี่ยนะแต่คนที่ไม่มียุติหาระเป็นเครื่องตรวจสอบนะเหมือนกับคนเดินทางโดยที่ไม่ยอมอ่านป้ายข้างทางอย่างหนึ่งไม่ยอมอ่านแผนที่เห็นแต่ถนนมันโล่งๆอ่ะนะก็เลยไปตามถนนที่มันโล่งๆคิดว่าถึงไหมมันไม่ถึงสิ่งที่เขาต้องการแต่จะไปถึงอีกสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ต้องการ เพราะการเดินทางทุกครั้งมันก็เป็นเหตุหมดนะมันต้องถึงแน่แหละแต่ไม่รู้ถึงไหนแล้วกันที่นี้เขาบอกว่าใครที่กล่าวว่าไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นเราไม่ได้สําคัญว่าขันห้าเป็นเราเลยนะเขาว่าขันห้ามันเป็นขันห้าขันห้ามันเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งอดีตอนาคตทั้งหลายขันห้าก็เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขันห้าไม่เที่ยงทั้งนั้นเลย แต่ว่าสงสัยในเรื่องอดีตนี่มันเป็นยังไงนะชาติทีแล้วเราเป็นยังไงเนอะหรือว่าเอ๊อนาคตเราจะเป็นยังไงเนาะปัจจุบันนี่เราคือใครเลยถามว่ามันมันขัดกันเองไหมขัดอันนี้เรียกว่าพูดอย่างนี้ไม่สมควรแต่ถ้าบอกว่าขันห้าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคือประชุมแห่งมหาพูดและรูปที่อาศัย มหาพูดรูปที่ดีเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนารูปที่ไม่ดีเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาอันนั้นเป็นเวทนาขันแล้วก็รูปเวทนาเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งสัญญาสังขารและวิญญาณขันวิเคราะห์แม้กระทั่งพรุ่งนี้ก็คือขันห้าอีกสิปีข้างหน้าก็คือขันห้าชาติหน้าก็คือขันห้าไทยหลังไปในอดีตเมื่อวานก็ขันห้าเมื่อเดือนที่แล้วก็ขันห้าสิปีที่แล้วก็ขันห้าชาติที่แล้วก็ขันห้าเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่าเราว่าของเราว่าตาของเราไม่ควรเห็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นอัธยาสัยจนละความสําคัญในขันห่าว่าเป็นเราแต่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าชาติที่แล้วเราเป็นใครเป็นยังไงอย่างนี้เออฟังแล้วมันขัดกันเองนะให้เราเป็นใครเนี่ยเออชาติหน้าเราจะเป็นยังไงเนี่ย ก็สงสัยอยู่นะแต่ว่าขันห้าไม่ใช่เราเออนมันน่าคิดนะว่าอันนี้แหละเรียกว่ายุติไม่ได้ไม่สมควรว่างนั้นเถอเพราะจริงๆคนที่ตามเห็นขันห้าว่าทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาละเอียดเลวประเนีใกล้ไกลทั้งหมดคือขันห้าอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปีวนไปเป็นธรรมดานะ มันจะอะไรมันก็คือขันห้าจะโวหารสมมุติว่าพราหมณกษัตริย์แพทย์สูตรสำคัญว่าเป็นใครก็ช่างมันก็คือขันห้าวันยังค่ําที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตาเนี่ยนะก็ยังอดสงสัยว่าเออเราเป็นใครก็บอกเมื่อกี้ก็ยังบอกว่าขันห้าใช่ไหมตอนหลังว่าเป็นเราอีกแล้วเนี่ยคือเรียกว่าศึกษาข้อยุติอันนี้เอาไว้ให้ดีถ้าไม่มีข้อยุติอันนี้นะว่าเราไม่เลึกชาติไม่ได้ แล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าอาดีตเราเป็นยังไงนะนฟังแล้วสมเหตุสมผลใช่ไหมอะไรเป็นเราของคุณนะไอ้ที่ว่าเราอะ่ะมันคืออะไรนะ น, นแล้วขันห้ามันเป็นเราจริงหรือไม่จริงแต่ก็สงสัยว่าเราเป็นยังไงนะในอดีตเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนาะอันนี้แหละที่เรียกว่าข้อยุติไม่ดีศึกษาให้ดีว่าถ้ามีความเข้าใจอ่ะนะอย่างว่า ตอนนี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมตาเนี่ยที่เห็นทั้งหมดอาศัยตาได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้ก็อาศัยหูรู้เกล่นก็อาศัยจมูกรู้รสก็อาศัยลนเนี่ยรู้ร้อนรู้เย็นเป็นต้นก็อาศัยกายนึกคิดรับรู้เรื่องราวต่างๆก็อาศัยใจขณะนี้นั่งอยู่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก่อนหน้านี้เดินมาก็ตาหูจมูกิ้นกายใจมา เมื่อวานก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอดีตถอยหลังไปกี่ชาติกี่ชาติก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอนาคตข้างหน้าต่อไปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิแล้วตาที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่างนี้สมควรหรือจะตามเห็นว่าเราว่าของเราไม่ควรไม่ได้สําคัญว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่าเป็นเราว่าเป็นของเราแต่มานั่งสงสัยว่าเอ๊ะชาติที่แล้วนี่เราเป็นยังไงนาะ ขัดจำนไม่ขัดกันนอันนี้ก็เอาข้อยุติเอาไว้ไปคิดให้ดีๆนะว่าตอนไหนที่เราคิดว่าทีเ่เราเป็นยังไงนะ่าดีตชาตินะสวยขนาดไหนนาะเนี่ยนะถ้าสงสัยลักษณะนี้ก็แสดงว่าไม่รู้จักขันท่าจริงๆกันนะอันนี้เรียกว่าข้อยุติเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับวิปัสสนานะข้อยุติเกี่ยวกับวิปัสสนาท่านยกตัวอย่างมาให้เห็นแค่ สองข้อแค่นี้บัณฑิตก็ไปค้นคว้าต่อไปได้ลักษณะหาระทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องฌานเรื่องฌานข้อยุติเกี่ยวกับฌานฌานทั้งหลายถ้าใครเอาเล่มปฏิสัมพิธา ม, มานะกรุณาหยิบนะเล่มโ ต, ต, ตน้ำหนักเนี่ยนะก็ทำมือไม่ดีก็หยิบค่อยๆระวังหน่อยนะมีโยมคนหนึ่งนะยกหนะังสือก็จะไม่ไหวละ หน้า39293เพื่อให้ดูว่านี่เป็นข้อยุติเกี่ยวกับฌานเนนะเกี่ยวกับเรื่องฌานนะทางรูปฌานอารูปฌานเป็นอย่างนี้สาร้เาอเนี่ยนะ่เางนี่ยนะ้3ยเก้าสิบสองถึงเอันนี้เป็นข้อยุติเกี่ยวกับฌานถ้าเราอ่านตรงนี้ก่อนแล้วไปดูในเนติปกรณ์จะไม่ยากนี่นะ เพราะว่ามันคือเรื่องเดียวกันแต่วิธีการเรียบเรียงการแปลก็คนละอย่างกันแต่จริงๆเนื้อหาไม่ต่างกันคือพาคยยธรรมสีนั่นเองอ่ะนะในในสุตตานิยยานมีภาคยยธรรม4ีใช่ไหมหนึ่งหานะพาคยะคือความฐานะแปลว่าเสื่อม 2. ทิติภากยะความดำรงอยู่สวิเศษสภากยะส่วนแห่งความจเจริญขึ้น4 นิเพทภาคยะมาดูในหน้า392ยอด่อหน้าสุดท้ายกล่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องปฐมฌานก่อนนะว่าสัญญาและมนสษการอันประกอบไปด้วยกามของพระโยคาวจรผู้ได้ปฐมฌานเป็นไปอยู่นี้เป็นธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมหมายค่ะว่าใครที่ได้ปฐมฌานเนี่ยนะแล้วก็ชอบเที่ยวดูแต่ของสวยของงามเนี่ยนะไม่นานเสื่อมแน่ ก็แปลว่าคนนั้นเนี่ยน้อมไปเพื่อความเสริมแล้วละ่ะความพอใจอันอันเป็นธรรมะสมควรแก่ปฐมฌานนั้นยังตั้งอยู่นี้เรียกว่าธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความตั้งอยู่หมายคือว่าเขารักษาคุณภาพให้เหมือนเดิมทุกอย่างหาเหตุหาปัจจัยหาสิ่งเวดล้อมเพื่อจะรักษาปฐมฌานเข้าไว้อย่างนี้เรียกว่าทิติภาคยะส่วนแห่งความ ดำรงอยู่หรือตั้งอยู่ถิติเนี่ยนะก็เสมอตัวว่า ง, งั้นเถอะส่วนสัญญาและมนสิการอันไม่ประกอบด้วยวิตกเป็นไปอยู่นี้เรียกว่าธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งความวิเศษคือหมายาว่าเข้าปฏิบัติมุ่งกําจัดวิตกอันนี้แสดงว่าเจริญขึ้นใช่ไหมเพราะทูติยาชานนี้ละวิตกผู้ใดที่ได้ปฐมชานมุ่งกําจัดวิตกคนนั้นแหละเรียกว่าส่วนแห่งความพิเศษขึ้น ส่วนสัญญาและมนุษการอันสหรคด้วยความเบื่อหน่ายประกอบด้วยวิราคาเป็นไปอยู่นี้เป็นไปในอันนี้เป็นธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความชําแรกกิเลสถ้าอย่างนี้ละกิเลสได้แน่นะพะน้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครเคยเบื่อหน่ายในกุศลศีลด้วยยั ง, ยงนะเบื่อหน่ายในเลือกเกินที่เบื่อในสมถะเบื่อในปฐมฌานเหลือกเกิน อ่ะถ้าเบื่ออย่างนี้นะแสดงว่าใกล้พ้นทุกแล้วถ้าเบื่อแล้วเกินปฏิฆานิมิตอู้ใครก็เบื่ออย่างนี้ทั้งนั้นแหละะแต่ที่เรียกว่าเบื่อใกล้นิพานคือเบื่อในสิ่งที่น่าปรารถนาะอู้เบื่อแล้วเกินจะต้องทานอาหารอะไรอะไรอีกแล้วถ้าอย่างนี้นะแสดงว่าใกล้พ้นทุกไปเยอะแล้วนะเบื่อแล้วเกินจัดอาหารอะไรให้ก็ไม่รู้อย่างนี้ใครก็คิดอย่างนี้อยู่แล้วละ ทีนี้ถ้าเราดูเนติปกรณ์หน้า34เนี่ยนะจะทำให้เข้าใจเลยว่าเนื้อหาเหมือนกันแต่วิธีพูดแบบยุติข้อยุติเนี่ยจะต้องเป็นแบบปฏิสามธิธาแบบนี้นะแต่ทีนี้ท่านจะพูดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามนะเพราะเราจะได้คิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามจะได้หาข้อยุติเช่นคำพูดที่ว่าเทสนาว่าเนี่ยนะก็คือคำพูดที่ใครมาพูดว่า การมราคะและพยาบาทย่อมเป็นไปเพื่อทุติยชานอันพิเศษแก่ผู้ได้ปฐมฌานอันนี้พูดอย่างนี้ยุติได้ไหมไม่ได้ไม่สมควรนี่เขาบอกว่านะเข้าได้ปฐมฌานนะแต่พยาบาทนิวรณ์ก็ครอบงำการมฉันท่นิวรณก็กลุ่มรุมถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่สมควรใช้ไม่ได้แต่เทศนาหรือคําที่ว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมย่อมสมควร เนี่ยนะก็จริงๆนะถ้าใครได้ปฐมมชานเน่ยนะเที่ยวหาแต่เพ่งโทษคนอื่นเนี่ยนะก็แสดงว่าไม่นานปฐมมชานก็เสื่อมเพราะพยาบาทนิวร์ใช่ไหมหรือเที่ยวดูแต่ของสวยของงามไม่สำรวมอินทรีย์เลยอ่ะนะอันนั้นก็แสดงว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมถ้าอย่างแง่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งเทศนาว่าสัญญามนุิการอันเป็นไปพร้อมด้วยอวิตกย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมย่อมไม่ควร หมายความว่าถ้าได้ปฐมมาชานแล้วนะเขาน้อมไปเพื่อปฏิบัติกำจัดวิตกเนยนะอันนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมถ้าพูดอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกตรงนี้เพิ่มอ่ะเข้ามาอีกสับหนึ่งนะอวิตกนะต้องต้องเป็นอวิตกนะว่าสัญญามนัิการอันเป็นไปพร้อมด้วยอวิตกย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมย่อมไม่ควรเพราะว่าคือสูตรเนี่ยเราเราต้องเข้าใจสูตรโครงสร้างธรร ม, มะเป็นอย่างนี้ว่า เนคขมะละอะไรนนะทบทวนนะรู้รู้เรื่องอื่นก่อนนะค่อยมาต่อเรื่องนี้อีกอนนะรู้โครงสร้างหลักการก่อนว่าถ้าเนคขมะละการมาฉันทะอัพยาบาตคือเมตตาละพยาบาทอาโลกสัญญาละทีนมิทะปราโมดละอารติความไม่ฟุ้งซ่านหรือความสงบละความฟุ้งซ่านการกําหนดธรรมละวิจิกิจฉา ยานะเป็นตัวละอวิชาปฐมฌานละนิวรห้าทุติยฌานละวิตตาตติยฌานละปีติเอาแบบจตุ ก, กนายก็พอนะเรียนมาหลายนายมาเงยุ่งหมดตติยฌานละปีติจตุทชฌานละสุขอากาสารัญจายตนะลารูปสัญญานานตัตต า, าสัญญาปฏิฆาสัญญาเนี่ยนะไม่ใส่ใจในนานัตตาสัญญา วิญญาณัญจายตนะละอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะละวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญาละอากรินจัญญายตนะสัญญาเวตยิตานิโรธละสัญญาและเวทนาเนี่ยนะก็คือดับหมดอันนี้คือหลักการเขาเป็นอย่างนั้นถ้าใครพูดขัดกับหลักการอันนี้แสดงว่าพูดผิดเนี่ยนะเพราะลักษณะของเนติ ป, ปกรณ์เนี่ยถ้าเราเข้าใจคําสอนเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นอยู่ก่อนแล้วเนี่ยนะ อ่านหน้าสามสิบสี่สาสิบห้าไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ทีนี้คําพูดที่เรียกว่าพูดแบบอะไรคือมันเหมือนอะไรนะอุปมาเหมือนอย่างว่าของมาเคยไปบินทบาทอยู่ที่หนึ่งก็ไปแต่เช่าเลยนะในตลาดตอนเดินไปเนี่ยนะบ้านทุกห้องทุกคูหาเขาปิดบ้านหมดเลยมันก็จะอีกภาพหนึ่งใช่ไหมขากลับมาเขาเปิดบ้านหมดเลย มันก็อีกบรรยากาศหนึ่งอะนะหลงทางเลยนี่ น, นะเนติปรณกตรงนี้ก็เหมือนกันนะถ้าว่าว่าตรงตรงแบบนี้เราก็เรียนไม่ค่อยยากนะจาอย่างเดียวใช้ได้แล้วพอท่านพูดพลิกขึ้นมาปั๊บเอท่านว่าอะไรของท่านเนี่ยจริงเรื่องเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านพลิกให้ดูอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะพลิกให้ดูอีกข้างหนึ่งว่าอะไรมันยุติได้อะไรยุติได้ไม่ได้อะไรสมควรอะไรไม่สมควรเนี่ยนะ แต่ที่นี้ว่าถ้าเราทำบุญมามากกว่านี้นะเราก็จะมาจาักย่อหน้าใหม่ก็จะอ่านง่ายกว่านี้แต่นี้เขาทำพืชเดียวไปหมดเลยนะแต่เขามาก็ขอบคุณที่เขาทำให้อ่านแล้วละเนี่ยนะตอนนี้ถึงจะติดกันเป็นพืชบ้างไม่มีย่อหน้าไม่มีอะไรก็อ่านอ่านไปเถอะ่นนะดีกว่าไปอ่านภาษาบาลีหนักหนาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เพ่งโทษอะไร แต่จริงๆแล้วหนังสือถ้าย่อหน้านะย่อหน้าของปฐมฌานอย่างหนึ่งย่อหน้าของทุติยฌานอย่างหนึ่งย่อหน้าตติยฌานย่อหน้าของจตุตฌานย่อหน้าอารูปฌานนะถ้ามีย่อหน้าทุกๆอันจะอ่านเข้าใจง่ายแต่ถ้าท่านไม่ย่อเราก็ย่อเองก็ได้แล้วก็เขียนเอาหนึ่งสองสามสี่ง่ายมากหนังสือเขาแจกให้เป็นสมบัติของตนเลยนะโน้ตอะไรก็ได้ก็โน้ตไปเถอะอย่ารักษาความใหม่เอาไว้เลยเนี่ยนะ ลูกหลานก็ได้ไปโอ้ไม่ได้อ่านเลยเนี่ยโนดนดเขียนเขียนไว้บ้างะนะมรดกอันนี้ถึงลูกถึงหลานโอ้ปู่ย่าตายายเราไม่ธรรมดานะเนี่ยค้นความมากถ้าบอกว่าสัญญามนาศิการอันเป็นไปพร้อมด้วยอวิตกเนี่ยนะคือหมายว่าเป็นไปเพื่อละวิตกนี้เป็นไปเพื่อความวิเศษอย่างนี้สมควรเนี่ยนะถูกต้องทีนี้มาดูทูติยะชานบ้างนะ นับขึ้นสองบรรทัดนั่นนะนับขึ้นสองบรรทัดนั่นเป็นธุติยะชานแล้ว่าเทสนาว่าหรือคำที่ว่าสัญญามนัศศิการอันเป็นไปพร้อมด้วยวิตกและวิจารณย่อมเป็นไปเพื่อตติยะชานอันพิเศษแก่ผู้ได้ธุติยะชานอันนี้ไม่สมควรปกตินี่ธุติยะชานละอะไรละวิตกวิจารแต่ถ้าใครบอกว่านี่นะ คิดแต่เรื่องวิตกวิจารณให้มากๆเป็นไปกับวิตกวิจาร์มากๆจะได้ตาติยะฌานเองอันนี้ก็พูดเพีดแต่ถ้าบอกว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมย่อมสมควรเพราะว่าฌานที่มีวิตกวิจารณ์คือปฐมฌานนะฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารณฌานที่สองมันละวิตกวิจารณ์ถ้าไม่ไปถ้าไปหมกมุ่นคลุ่นคิดอยู่กับวิตกวิจารณแสดงว่าทุติยะฌานนี้ใกล้จะเสื่อมแล้วเนี่ยนะใกล้จะ ก็ถ้าดีไม่ดีก็เจ๊งไปนานแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งสัญญามนศิการอันเป็นไปพร้อมด้วยอุเบกขาและสุขย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมย่อมไม่สมควรเพราะว่าทุติยะชาญเนี่ยมีองค์อะไรบ้างปีติสุกเอกขตาเนี่ยนะอันนี้เป็นองค์ของทาานนุติยะชาญปีติสุกเอกขตาถ้าเป็นไปเพื่อละ ปีติก็จะเหลือสุขอุเบกขาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเป็นไปเพื่อสุขและอุเบกขาแสดงว่าไม่เสริมแน่นอนทุติยาชาญของเขาไม่เสริมถ้าอย่างนี้สมควรคนนี้เราเก่งมากนะหาความสมควรแม้กระทั่งตัวพิมพ์นะถ้าพิมพ์อย่างนี้ไม่สมควร น, นะถ้าเพิ่มคําว่าไม่สมควรอย่างเงี้ยนะก็เก่งแล้วนะแสดงว่าหายุติหาระได้แล้วนับลงสาบรรทัดนะนะนับลงสามบรรทัดหน้าสาห้า ความเสื่อมย่อมสมควรตรงนั้นอนะเพิ่มไม่ไมาอีกคำหนึ่งความเสื่อมย่อมไม่สมควรจึงจะถูกต้องเทศนาว่าย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตาติยาชานอันพิเศษย่อมสมควรอันนี้ถูกต้องคือในปฏิสามพิธามรักหน้าสาเสานี่ยนะที่กล่าวว่าสัญญามนาศิการ สัญญามนสษยการอันประกอบด้วยวิตกของพระโยคาวจรผู้ได้ทุติยฌานเป็นไปอยู่นี้เป็นธรรมะเป็นไปในความเสื่อมนะอันนี้เพื่อเสื่อมของเพื่อความเสื่อมของทุติยฌานใช่ไหมความพอใจอันเป็นธรรมะสมควรแก่ทุติยฌานนั้นยังตั้งอยู่นี้เป็นธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความตั้งอยู่ สัญญาและมนสิการอันประกอบด้วยอุเบกขาและสุขเป็นไปอยู่นี้เป็นธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความวิเศษสัญญาและมนสิการอันสหรคตด้วยความเบื่อหน่ายประกอบด้วยวิราคะเป็นไปอยู่นี้เป็นธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความชำแรกเกลิเลอันนนี้นี่ลักษณะยุติหรระจะต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้ า, นาในเนติปรกรณ์หน้า35เนี่ยนะท่านจะพูดทั้งสมควรและไม่สมควรให้เรา ให้เราดูแบบควบคู่กันไปแต่ทีนี้อ่านไปอ่านมาถ้าหลักการในหน้าในปฏิสามพิธานหน้า393เป็นต้นไม่แม่นอ่านไปอ่านมาก็ไม่รู้อะไรยุติเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอ่านแล้วงงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้เข้าใจจําได้ในหน้า35เนติปกรณ์ก็ไปดูในหน้า392 93 94 95ในเนในปฏิสามพิธามากับใช้ได้เลยจําตรงนั้นไว้ถูกต้อง เนี่ยนะถ้าถ้ายังงงงในในเนติปรกรณ์อะนะแค่นั้นแหละนะส่วนที่เหลือก็ในยะเดียวกันเพราะฉะนั้นจ ะ, ะดูเฉพาะในปฏิสัมพิธามมักก็พอคือถ้าแสดงตามนี้แสดงว่ายุติได้ถูกต้องในปฏิสัมพิธานะถูกต้องนะแต่ถ้าเป็นแบบเนติปรกรณ์ท่านจะพูดแบบถูกแบบผิดเหมือนกับว่า เ, เหมือนกับว่าถ้าไปเหนือไปเส้นนี้ถ้าไปใต้ไปเส้นนี้นะ แล้วก็บอกถ้าชี้สลับทางสแสดงว่าสแสดงว่าผิดฉันใดเนี่ยนะเนติปกรณ์ท่านก็จะแยกให้ดูว่าอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกนะของเราก็อ่านแต่เฉพาะถูกก็พอที่เหลือผิดเนี่ยนะจำยังง่ายๆดีเนี่ยนะอะไรที่มันซับซ้อนมากๆไปชักไม่ค่อยสนุกเหมือนกันนะก็เหมือนกับว่าเออถ้าจะไปตรงโน้นเนี่ยเขาบอกว่าเออไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายาเสร็จเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาสครั้งนะอย่างนี้แล้วจะถึงตรงนั้น บอกง่ายๆก่ น, นี้ได้ไหมอันนี้ก็ลักษณะนี้แหละ น, นี่ก็ถ้าแยกแยกมากๆนะเราฟังแล้วก็อาจจะมึนหัวบ้างแต่ก็มาดูแบบทางตรงเลยนะถ้าไปเส้นนี้ง่ายดีตรงดีนะนะก็เอาแบบปฏิสัมพินธากันแล้วกันมาดูตาัตยธารเลย